ฟังทำเนี่อยาคิดว่าเป็นเรื่องของยาขมฟังต้องฟังแบบผ่อนคลายส่วนมากพอพูดถึงธรรมะเนี่ยคนจะมองถึงว่าต้องกินยาขมขมแต่เดือนนี้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วธรรมะแทนที่จะเคลือบยาขมแล้วก็ธรรมะมาเคลือบช็อกโกแลตแล้วพูดคุยอย่างสบายๆอย่าง ว, วันเนี้ยตั้งใจมากว่าจะมาคุยเรื่องที่ มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนเรื่องของชีวิตเรื่องของคนทุกคนซึ่งเป็นเรื่องน่ารู้มากคือเรื่องของตัวเราเรื่องของตัวเรานี่ก็ไม่เกินเรื่องของกายกับเรื่องของจิตคนทุกคนที่มาเนี่ยมีกายมีจิตทั้งนั้นแหละ สงสัยไหมว่าเรามีจิตหรือเปล่าไอ้ที่สงสัยว่ามีจิตหรือเปล่านี่ต้องย้ายที่แล้วนะกายคือสิ่งที่เราเห็นได้สัมผัสได้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือส่วนร่างกายที่ยังเป็นๆอยู่ส่วนเรื่องของจิตใจเนี่ยมันรู้ได้ยากเห็นได้ยากเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้จิตใจ คือความรู้สึกคิดนึกได้ถ้าเรายังมีความรู้สึกคิดนึกได้แล้วก็โอ้เราเป็นคนมีใจนะมีใจถ้ามีแต่ร่างกายก็เหมือนอย่างกรทซากศพถ้ามีกายแต่จิตใจเลื่อนลอยเหมือนกายที่ไร้วิญญาณเหมือนคนไม่มีชีวิตจีวาหรือคนตายทั้งเป็นมันก็เหมือนคนที่ตายแล้ว เพราะนั้นที่ทุกท่านที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเป็นคนที่มีกายมีจิตสมบูรณ์เป็นชีวิตที่สมบูรณ์กายจิตเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาได้เสมอเสมอโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเมื่อพัฒนาจิตใจได้แล้วเนี่ยส่วนร่างกายเขาจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยก็เราดูแลได้เขาแค่ชั่วคราวอาศัยชั่วคราวใจที่พัฒนาถึงสูงสุดนั้นพัฒนาจกนกระทั่ง หมดปัญหาหมดทุกข์ไปเลยแต่ร่างกายนั้นที่สุดก็คือที่เชิงตะกอนต้องไปเผาไปฝังแต่ใจนั้นไปไกลกว่า น, นั้นวันนี้อาจริงอยากมาพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องที่น่ารู้มากเป็นเรื่องที่สมควรจะรู้เรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตเรียนแล้วมีวันจบจบได้ แต่ถ้าเราเรียนเรื่องนอกตัวเรื่องทั่วไปที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยจบได้ยากมากยิ่งเรียนยิ่งบานปลายเรียนเรื่องในโลกนี้ยังไม่เพียงพอต้องโลกหน้าโลกอนาคตเรื่องจักรวาลไปไกลบางทีเรียนแล้วศึกษาแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์มากก็มีนะมันเป็นขยะสมองขยะความคิดเพราะสุดท้ายบางทีก็แก้ปัญหาตัวเราไม่ได้ แต่ถ้าเรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิตแล้วก็มันมีที่จบจบลงไปที่ไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาเห็นปะจบได้ในตัวเราไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องอาศัยเครื่องมือหน้าเรียนนะเรื่องของกายเรื่องของจิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่ไม่รู้เรื่องกายเรื่องจิตเท่ากับไม่รู้เรื่องตัวเรา และจะมีปัญหาสารพัดอย่างความเครียดเพราะรู้จักกายไม่รู้จักจิตความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทวิตกกังวลจนกระทั่งฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้เรื่องของกายเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้คือโทษทุกโทษแต่ถ้าเรามาเข้าใจ รู้เรื่องกายเรื่องของจิตที่มีในตัวเราเราจะพ้นจากปัญหาเรื่องนอนไม่หลับไม่มีเรื่องเครียดไม่เกิดเรื่องเหงาจำหน้าไม่ได้เรื่องใจมีที่จบไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นโรคจิตไม่เป็นโรคประสาทเรื่องค่าตัวตายเป็นเรื่องเล่นๆเรื่องตลกตลกประโยชน์มากเพราะอะไรจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิตเพราะกายจิตเนี่ย เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งปวงปัญหาทั้งหลายทั่วไปดูเถอะก็เรื่องของกายเรื่องของจิตทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกนะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่กายที่จิตเราเห็นไม่มสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องธรรมชาติกายจิตก็คือธรรมชาติแต่จิตที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจชีวิตเนี่ยก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นมันน่าจะเป็นอย่างนั้น มันน่าจะเป็นอย่างนี้อากาศมันเย็นเออมันน่าจะร้อนพออากาศร้อนก็มันน่าจะเย็นเนี่ยทําทุกอย่างให้ได้อย่างใจเราใช่ไหมว่เาเราไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์เป็นปัญหาอันเนี้ยเรื่องของจิตที่ไม่เข้าใจตัวเองนะเรื่องของกายก็มีมากแสดงว่ากายจิตเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์มันทุกข์อย่างไรเดี๋ยวก็จะค่อยๆขยายความออกไป ถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางจิตเสียได้แล้วก็ทุกจะไม่เกิดขึ้นการปล่อยวางกายปล่อยวางจิตนั้นไม่ใช่ทิ้งไปไหนนะคือดูแลแล้วก็ทาหน้าที่ไปการที่จะปล่อยวางกายปล่อยวางจิต น, นั้นเลยต้องตามดูตามรู้กายใจเราเนี่ยให้เข้าใจให้รู้ตามความเป็นจริง เราจรึงจะปล่อยวางได้การตามดูตามรู้กายรู้จิตนั้นไม่ใช่ดูด้ตาหรือไม่ได้คิดดึกเอาเราต้องอาศัยสติอาศัยสติเป็นเครื่องมือชำละจิตชำละใจชำละกายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจคุณหมอท่านดูแลคนไข้หรือเรียนรู้เรื่องกายของคนไข้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือใช่ไผ่าศพหัน่นศพ แต่ทางด้านจิตใจนั้นเครื่องมืออะไรก็ไม่มีชำระแต่สติเนี่ยชำระได้นะชำระใจ <c oughs> ให้เกิดปัญญาสติเนี่ยทำได้เพราะนั้นการจะมาสังเกต ด, ดูตัวเรานั้นก็ต้องอาศัยสติสติตามดูตามรู้กายใจเราเป็นเครื่องมือจึงจะเข้าใจชีวิตเขาจึงเรียกว่าการเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรม คือการเจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละเรื่องการเจริญสติคือเรื่องของตัวเราเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเราอย่านึกคิดว่าเออเจริญสติแล้วจะต้องไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเห็นเลขเห็นเบอร์เห็นหวยเห็นผีเห็นสีเห็นแสงเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นรูุ้ท่เจ้า เห็นญาติที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญหรือเจิสติแล้วสามารถรักษาโลกได้เป็นผู้วิเศษเกิดอิทธิปฏิหารอะไรแบบปลกแปลกอันนั้นไม่ใช่แนวทางการจิสตินะเป็นแนวหลงอะ่ะไม่ใช่แนวรู้แนวของการจิสติเนี่เป็นแนวรู้อันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิอาจจะเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นอาจจะไม่จริงหรอกใช่ไหมเราเห็นเนี่ยเราเห็นก็ตาเลย แต่สิ่งที่ถูกเขีนอาจจะไม่จริงอันนั้นไม่ใช่แนวทางการเจริญสติการเจริญสตินั้นคือการใช้สติกลับมาดูตัวเราดูกายดูใจของเราที่มีอยู่เป็นอยู่ต่อหน้าต่อตาในปัจจุบันซึ่งเป็นชีวิตจริงไม่ใช่ใช้ความคิดหรือเป็นภาพนิมิตเอากายเอาจิตของเราเนี่ยเป็นนิมิตให้ดหูรู้ความจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างไร เป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรอันนี้จึงเกิดปัญญาแล้วจึงจะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้ก็ต้องอาศัยสติเจริญสติมากๆเพื่อให้เกิดปัญญาเอาชะนะความทุกข์ในตัวเราได้ทําถึงที่สุดแล้วมันพ้นทุกข์ได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนญาติธรรมเนี่ยทาความเข้าใจเรื่องการจระสติเราจะได้นาเอาไปเป็นแนวทาง ที่จะไปปฏิบัติต่อไปการเจริญสตินี่ไม่ต้องไปที่วัดนะไม่ต้องไปที่สำนักปฏิบัติก็ได้ถ้าคนไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องไปก็ได้เราทำได้ทุกที่เลยให้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดานี่นะสามารถจะเจริญสติได้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาทุกสถานที่เพียงแต่เราเจตนารู้ลงไปที่กายของเราการมีสติรู้กาย คือการเจตนารู้ลงไปที่กายของเราในอิรยียบท่างๆย่างที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังนั่งเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบุญแล้วบุญชั่วขนาดจิตโอถ้าตายไปตอนนี้นี่บางทีไม่เกิดนะบางทีไม่เกิดไม่ใช่ไม่ดีนะนิพพานเลยบางทีไปสู่สุคติด้วย พราจิต ท, ที่กำลังรู้กายเนี่ยจิตมันเป็นจิต ท, ที่เป็นปกติธรมธรมดาธรรมดารู้กายว่ากำลังนั่งอยู่เราจะขยับตัวไปเนี่ยจับปากกาขยับตัวถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรากาลังเคลื่อนไหวมือเนี่ยอันนี้เป็นการเจริญสติเป็นการปฏิบททัติธรรมแล้วซึ่งไม่ใช่รูปแบบการบิดหน้าไปทางซ้ายทางขวาให้มีสติรู้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติกระพริบตา เราก็รู้หายใจเข้าเราก็รู้สึกว่าเรากาลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกกลืนน้ำลายลงไปในลำคอเรารู้สึกนี่ก็เป็นการเจริญสติแล้วเนีขยับปากรู้สึกว่ากาลังขยับปากโอ้นี่ใช้ได้แล้วคือการมีสติตามรู้ลงไปที่กายที่มันกาลังเคลื่อนกาลังไหว อันนี้เป็นการเจอสติเพียงแต่ว่าให้รู้สักหน่อยว่ากายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่เรามันสักแต่ว่าให้เรารู้เท่านั้นมันไม่ใช่เราอย่าถือว่าเป็นเรามันคือฐานที่ตั้งของสติกายก็คือส่วนหนึ่งสติผู้รู้นี่ก็คือส่วนหนึ่งเห็นไอย่าเอากายเป็นเราถ้าเอากายเป็นเราเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เลยเวลาการมีการเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ว้าอ๋อนี่เป็นเรื่องของกาย ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นรูปเป็นนามเลยไหมมันเกิดการแยกระหว่างกายกับจิตเลยนะ <c oughs> อาจจะคิดเอาหน่อยแต่ถ้าเรามีสติมากๆเนี่ยสติจะทําหน้าที่แยกแยกายแยกจิตอย่าถือว่ากายเป็นเรากายเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราเลอะรู้เท่านั้นฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสติมันก็จะเจริญเนี่ยเรารู้กายแล้วนะรู้กายที่มันเคลื่อนมันไหวหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้แหละการรู้กายเป็นนานๆเนี่ย ทำให้เราเกิดปัญญาเราจะเห็นว่ากายเนี่ยเขาแสดงอะไรให้เราดูมากมายร่างกายเนี่ยเขาแสดงอะไรให้เราดูมากมายนะเยดูติดเรานั่งดูเนี่ยเรานั่งสักพักหนึ่งรู้สึกเมื่อยไหมโอ้มันเมื่อยละเห็นไ่มความปวดความเมื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขวเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายทุกคนต้องเมื่อยอย่งผมเนี่ร่างกายเป็นอวบอตั้งแต่คอลงไปเนี่ย ผมจะไม่รู้สึกว่าเมื่อยหรอกมันดีไหมที่ไม่รู้สึกว่าเมื่อยกายเขามีแต่กายไม่ทําหน้าที่บอกว่ามันเมื่อยมันปวดกายที่เป็นอมพาสจะไม่รู้สึกแต่ส่วนท่านผู้ฟังเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้ามันเมื่อยมันปวดแสดงว่าโอ้มันปกติขอบคุณมันขอบคุณมันที่มันปกตินะเอออย่าไปทุกข์ว่าโอ้เราไม่น่าปวดไม่น่าเมื่อยทางนั้นเราจะกลายไปคนเป็นอมพาสไปดีแล้วที่มันปวดมันเมื่อยมันเป็นธรรมดานะกายเขาบอก เวลาเขาหิวเขาก็จะบอกบเวลาเขาร้อน <c oughs> เขาหนาว <c oughs> เขามีโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของกายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมันก็แก่ไม่เ ล, c. <c <oughs> ลิกเราพยานจะต่อตา้ามันก็แก่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่เรื่อยมองดูกระจกตัวล้วก็แก่ทุกวันนี่เรื่องของกายอีไม่ชัานมันก็แตกทําลายไปโรคภัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียนเบียดเบียนกะายทั้งนั้นโรคนีนไม่เคยเบียดเบียนใจนะ มันเบียดเบียนกายแต่ใจเราไปจับฉวยว่าเออกายของเราเราก็เลยเป็นทุกข์ไปกับกายนอกจากจะกลายเป็นโรคอย่างเดียวจิตใจก็พลอยเป็นโรคไปด้วยใช่ไหมทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเลยไม่มีใครช่วยใครได้เราจะเห็นว่ากายเนี่ยเขาแสดงแสดงอาการที่เป็นทุกข์ออกมาเราเห็นมากมายเนี่ยเราเริ่มมีปัญญาเริ่มเข้าใจแล้วกายมันต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นแหละร่างกายไม่เคยมีความสุขกายมีแต่ความทุกข์ แต่ทุกของกายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการเวทนาความปวดความเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่กายนะความปวดเมื่อยไม่ใช่กายแต่มันอาศัยร่างกายเกิดขึ้นพิสูจน์ได้โดยการนี่เรานั่งใหม่ๆเราเมื่อยไหมไม่เมื่อยใช่ไหมโอ้ยังดีอยู่นะแต่สักพักนึงเอาละความเมื่อยความปวด ค, วค่อยๆแทรกขึ้นมากับกายแทรกว่าไอ้ความเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่กายเราเริ่มแยก ทุกขเวทนาออกจากกายไปแล้วถ้าเจริญสติมากจะแยกระหว่างอ๋อนี่คือกายอ๋อนี่คือทุกขของกายซึ่งเป็นคนส่วนกันเป็นคนละขันคนละกองเป็นเวทนาไปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดความทุกขเวทนาเราก็แก้ไขอย่าไปบังคับอย่าไปอดทนมากเกินไปนมันจะเพิ่มทุกขเพิ่มโทษอะไรกับเขาแก้ไขด้วยสติและให้รู้ว่าอันนั้นไม่ใช่เรา ทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายใจอย่าไปแบกรับภาระเอาไว้ใจก็มีหน้าที่ช่วยเขาแก้ไขไปเห็นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเวลาร่างกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยถูกไหมคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไอ้ความป่วยไข่เนี่ยขอทารนว่าเ ป, เป็นเรื่องของกายกับเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของใครกันแน่มันเป็นเรื่องของร่างกายแต่เราไม่เข้าใจล่ะเราไปยึดว่ากายนี่เป็นตัวเรา จิตใจเราต้องไปทุกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราถ้ามีสติแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เรื่องของกายนะรักษากันไปรักษากายไปแต่วางใจไว้ว่าเออหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรเห็นไ่มใจเราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเดี๋ยวนี้คนเราเป็นทุกข์มากเรื่องการรักษาโรคไปแค่เจ็บอยากให้มันหายเพราะมันไม่หายก็เป็นทุกข์บางคนไม่อยากไปหาหมอ กลัวหมอจะตรวจแล้วเจอโรคห <c oughs> นีตัวเองหนีความจริงไปไหนไม่กล้าไปหาหมอนะไปหาหมอเดี๋ยวหมอเจอโรคทั้งที่มีอาการที่เจ็บป่วยย่ําแย่แล้วถามไปถรรมาบอกไม่อยากไปหาหมอเดี๋ยวหมอเจอโรคมากกว่าที่กําลังเป็นเจออีกหลายโรคจนกระทั่งเขาเรียกว่าเพียบแปะแล้วจนหมอรักษาไม่ได้แล้วไปหาก็หมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วต้องทําใจแล้ว เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดทุกขเวทนาทางกายเนี่ยให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของกายต้องแบ่งแยกอ๋อใจเราไม่ต้องไปทุกข์แม้ร่างกายจะกระสับกระส่ายกับความทุกข์ใจก็อย่าเป็นทุกข์นี่ยคือ ก, การปฏิบัติธรรมนะใจที่ไม่เป็นทุกข์นั้นคือใจต้องมีสติมีสติรักษาจิตให้เป็นปกติมันเรื่องของกายใช่ไหมถ้าจิต ท, ที่เป็นปกตินี่มันช่วยกายได้นะช่วยร่างกายได้ ทุกขเวทนารุนแรงเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่ทนได้ถ้าร้องไห้อดครวญกับความทุกข์ทางกายเนี่ยมันเพิ่มไม่ทุกขเวทนาเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นใช่ ไ, ไมไม่มี ป, ประโยชน์อะไรเข้มแข็งอดทนอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงจะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาถ้าเรามีสติเฝ้าดูมันอยู่เดี๋ยวมันก็อย่างเช่นปวดฟันนะเวลามันปวดเนี่ย มันปวดมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะลดลงลดลงบางทีมันก็ปวดขึ้นแล้วก็ลดลงติตที่เข้มแข็งจิตที่มีสติควบคุมและยิ่งมีปัญญาเนี่ยปล่อยวางเลยอ๋อในเป็นเรื่องของกายนะก็ดูแล ก, กันไปใจมันจะยอมรับได้ทุกมันจะลดลงแต่ว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะกายอย่างเดียวไม่ใช่มีเวทนามันมีเรื่องของจิตใจเลย เรื่องของจิตใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยเราต้องมีสติรู้ให้ทันเวลามันคิดเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจแล้วไม่ใช่เรื่องของกายนะร่างกายมันคิดไม่ได้ <c ười> จิตใจมันคิดได้เรื่องของจิตคือเรื่องของความคิดจิตเป็นผู้ผลิตความคิดเราจะเห็นจิตใจด้นั้นต้องเริ่มเห็นจากความคิดก่อนเห็นความคิดแล้ว เราจะเห็นว่าอ๋อใครเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้คิด <c oughs> มีปัญหานะถ้าเราไม่มีสติรู้ในความคิดเราก็จะสร้างปัญหาเกับชีวิตเรามาแล้วเราฝึกฝึ ก, กเวลามันเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติรู้รู้เฉยเฉยเนี่อรู้เฉยเฉยไม่ต้องบังคับรู้ธรรมดาเนี่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เวลามัน เกิดความพอใจอ๋อมีสติรู้ว่านี่พอใจแล้วเวลามันเกิดความไม่พอใจก็มีสติรู้มันมันเกิดความโกรธอืมมีสติรู้ว่นเอานี้โกรธแล้วนะเวลามันเกิดความรักก็รู้มันจิตใจฟุ้งซ่านนอนไม่หลับก็รู้มันอย่าไปบังคับให้มันหลับถ้าไปบังคับให้มันหลับมันไม่มีทางหลับหรอกมันยิ่งเครียดดักเข้าไปใหญ่เลยไม่หลับก็ไม่หลับกัน จะเจริญสติยันสว่างเลยเดี๋ยวมันก็หลับนะเอาข้องจริงมันก็หลับแต่เราไปคิดต่อต้อมามันเนี่ยมันไม่หลับเลยรู้ทันอ๋อนี่จิตมันคิดฟุ้งซ่านนะอจิตมันสงสัยอะไรก็ตามที่มันเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติรู้เฉยๆจะได้ปัญญาจิตมันจะไม่เครียดขณะทํางานถ้าแอบ ด, ดูจิตซะบ้างเนี่ยจิตมันจะมีการพักผ่อนเป็นขณะขณะ แต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเวลามันโกรธแล้วก็โตรธหมดเนื้อหมดตัวเลยมันก็เกลียดเวลาเกิดความรักก็รักหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันเวลามันเกิดความง่วงก็ง่วงหมดเนื้อหมดตัวถ้ามีสติรู้เนี่ยความง่วงเหลือแค่ครึ่งเดียวนะะเ <c ười> นี่ย <c ười> อย่างน้อยสติเนี่ยเป็นตัวที่จะเบรกเบรกกิตเบรกใจไม่ให้ก็ไปรวมเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์เพราะอารมณ์นี่มันเปลี่ยนแปลง หน้าคนคนเดียวกันเนี่ยตอนเช้ารักตอนบ่ายเปลียดก็มีนะเกิดความกลัวเห็นไหมทุกคนต้องกลัวบางทีไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะแต่มันกลัวกันแล้วกันกลัวความมืดความมืดไม่น่ากลัวหรอกตื่น่ากลัวก็คือกลัวความมืดใจคิดกลัวเนี่ยถ้ามีสติรู้วันกลัวเนี่ยความกลัวจะลดระดับลงเดี๋ยวน้อยเราไม่ได้เข้าไปกลัวร้อยเปอร์เซ็นเราเกินเป็นเพียงแค่ผู้เห็นผู้ดู สติเนี่ยพอเราจเจริญมากๆเนี่ยมันทําให้จิตมันตื่นตื่นรู้ทําให้จิตมันสงบอยู่ในตัวนะสติทําให้จิตนี่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทําสมาธิก็ได้เพียงเรามีสติรู้สึกตัวเนี่ยมันมีสมาธิอยู่แล้วในตัวเราเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิด้วยมันจะไม่เข้าไปคลุกคล้ากับอารมณ์ ถ้าเรามีสติมีสมาธิความง่วงก็จะไม่เกิดขึ้นความคิดปรุงแต่งก็จะไม่เกิดขึ้นมันตื่นออกมาจากความง่วงตื่นรู้ออกมาจากความคิดนึกต่างเข้าสู่ความเป็นปกติสำคัญนะคือเรื่องของความคิดเนี่ยมันจะเห็นความคิดสติที่ตื่นรู้นี่จะเห็นความคิดถ้าเห็นความคิดเนี่ยมันจะปลอดภยัยเราเห็นรถ วิ่งเข้ามาเราสามารถที่จะหลบหลีกได้เห็นงูเดอยมาแล้วก็หลบได้ถ้าเราไม่เห็นนี่อันตรายการเห็นความคิด<ม>ก็ไม่ถูกความคิดกบกัดความคิดคบกัดไม่ได้ความคิดเนี่ยเป็นต้นตอของความทุกข์เลยเป็นต้นตอของความทุกข์เพราะอะไรเพราะเมื่อมันคิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ไม่ทันเราปล่อยจิตปล่อยใจเข้าอยู่ในความคิดเลย คิดว่าความคิดนี่เป็นตัวเราเราก็ต้องทำตามความคิดคิดจนสว่างก็มีนะบางเรื่องความคิดเนี่ยเป็นดาบสองคมในส่วนที่คิดไม่ดีอย่างเช่นวิตกกังวลเห็นไหมความวิตกกังวลเนี่ยทำให้คนนอนไม่หลับความหวาดระแวงทำให้คนนอนไม่หลับความกลัวทำให้คนนอนไม่หลับความอิจฉาเสยความโกรธ ผู้นี้บั่นทอนจิตใจทั้งนั้นนอนไม่หลับเพราะอารมณ์แบบเนี้ยตื่นมาก็เป็นไมเกรนปวดศีรษะกลางนึ่เป็นไมเกรนเพราะความคิดอันนี้คิดไม่ดีความคิดดีเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะคนที่คิดดีเนี่ยจะไม่มีความทุกข์บางทีมีความทุกข์มากคนคิดไม่ดีถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อาาวานเนี่ยมีญาติธรรมมาคุย เขามีความคิดดีมากเขาเป็นครูเขาสอนนักเรียนเขาอยากให้นักเรียนเป็นคนดีสอนธรรมะให้นักเรียนเข้าใจอยา้เขานี่เข้าใจอยา้เขาเป็นคนดีคิดดีไหมดีแล้วก็ทำดีด้วยแต่นักเรียนไม่เชื่อนักเรียนไม่ทาตามโอ้เป็นทุกข์มากเลย มไอสิ่งเดียดีๆเสนอให้เราทำไมจึงไม่ทำตามเป็นทุกข์มากนอนไม่หลับอันนี้พาอคิดดีนะใแต่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราคิดจะต้องให้เป็นอย่างนี้หวังผลบางคนก็มีเพื่อนรักกันมากเพื่อนต้องการเงินเอาไปลงทุน โอ้เห็นใจเพื่อนเอาเงินให้เพื่อนขอยืมให้เพื่อนขอยืมไปเป็นจํานวนมากสองปีแล้วเพื่อนยังไม่คืนโทรศัพท์ทวงถามเพื่อนบอกว่าเราไม่โกงแต่เราไม่มีโอ้นอนไปทุกมากก่อนจะนอนต้องคิดถึงเงินจํานวนเนี้ยแล้วก็ไม่หลับวันทั้งวันไม่คิดนะทํางานเพลินแต่ก่อ น, นอนคิดถึงเงินก้อนเนี้ย อย่างกับว่าเงินก้อนนี้คิดตอนก่อนนอนจะได้คืนอย่างนั้นนะแล้วก็นอนไม่หลับปวดหัวเพื่อนก็ไม่โกงแต่ไม่มีแต่เราอยากได้เงินคืนนี้ไหหวังดีนะคิดดีแต่ไปหวังผลความหวังดีดีไหมมันดีอยู่แล้วในตัวแต่ความหวังผลนี่มันคือความยึดมั่นถือมั่นนะมันนำมาซึ่งความถูก เราทำดีแล้วมันก็ดีจบไปในตัวส่วนผลของความดีนั้นต้องอาศัยเวลานะอาศัยเวลาถือว่าเป็นผลพลอยได้มันจึงต้องรอถ้าหวังดีมันดีอยู่แล้วในตัวไม่ต้องรอแต่ถ้ารอผลผยได้ก็ต้องผลพลอยได้ต้องสามคำต้องรอใช่ไหมเพราะนั้นต้องวางใจนะทำความดีก็เพื่อความดีอย่าทำความดีเพื่อให้ได้ผลดีหรือทาความดีเพื่อให้เราดี นั่นคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยรู้จักวางใจจะได้ไม่เป็นทุกข์คนทำความดีแล้วเป็นทุกข์เนี่ยวางจิตวางใจไม่ถูกต้องขาดส ต, อติอันนี้เกิดจากความคิดนะมีหลายอย่างย่ยผมนี่ก็เคยนะผมนี่เมื่อตอนพิการใหม่ๆผมจะพยายามช่วยตัวเองให้มากๆที่คิดช่วยตัวเองเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามาดูแลเราแล้วเราสงสารท่าน เราจะแบ่งเบาภาระให้ท่านได้อย่างไรบ้างนอกจากว่าเราพยายามช่วยตัวเองผมพยายามช่วยตัวเองหลายอย่างอยู่มาวันหนึ่งเราคิดว่าเออสิ่งนี้เราจะช่วยแม่ได้นะ เ, นเวลากลางวันเนี่ยผมจะเอากระติกน้ำกระติกน้าผมจะมีหูเอาไปวางใกล้ๆกับกาดน้าผมจะดื่มน้ำอุ่ น, นผมก็จะพยายามยกกาดน้าแล้วก็เทใส่กระติกจะทำเองคิดว่าทาได้ วันแรกก็ลองเลยตอนนี้ว่าการาน้ามันอยู่ข้างล่างผมก็เลยเอากระติกน้ำวาไว้ด้านข้างผมเนี่ยแล้วก็ยกการาน้ำจากข้างล่างขึ้นมาปกติการาน้าเนี่ยมันจะไม่ร้อนมากแต่วันนั้นนี่ไม่ทราบว่าเข้าการาน้าเนี่ยไปตั้งไฟตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขายกหลงสายจนเกินไปเพราะตอนสายเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยปกติมันจะอุ่นนะอันนี้คงจะสายมากมันจึงไม่อุ่น ผมก็ยกขึ้นมาเทโอโหควันมันโกลเลยเพราะควันโกลทาไงละ่ะไอกระติกน้ํามันก็จะโค้นเทาควันโกลนี่เราก็ทําไงต้องพอกาน้ําวางกระติกน้ำโค้นเลยโอ้โค้นควันที่มันโกลจากผวยกาเมื่อไรมาโกลที่ขาผมโอ้ควันโกพผมออกมาคือถลอกปอกเปิกหมดเลยโอ้นี่คิดดีนะแล้วพยายามทําดีด้วยแต่เพราะอะไรเพราะ เราไปเชื่อความคิดไปเชื่อความคิดคิดว่าเราทําได้ขณะมีสติแนละ้วแต่ก็ไปเชื่อความคิดเราลืมประมาทลืมดูความสามารถของตัวเราแต่ก็ดีนะเป็นบทเรียนสอนใจเรียกผิดเป็นครูงนะยกความผิดให้ครูไปสอนเราออนี่เราไม่ควรทำนี้นะต่อไปเลยจึงเกิดการระวังไม่มีครั้งที่สองผิดครั้งเดียวครูตีครั้งเดียว เชื่อฟังอันนี้คือการเชื่อความคิดเพราะเราเชื่อความคิดแล้วก็คิดแล้วก็ทำตามความคิดและผลออกมาบางทีมันก็มีถูกเพราะานั้นพอคิดแล้วเนี่ยให้มีสติใข้ควนสะกก่อนทำดีไหมเนี่ยทีต้องราโอกาสสาคัญมากความคิดการเจริญสติเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อรู้ทันความคิดมือสติเพื่อรู้ทันความคิ ด, เ พ, คคดเพราะความคิด นำเหตุของความทุกมาให้นำความยึดมั่นถือมั่นตัวตนเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิดตัวตนไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดความคิดเราไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเรามันก็ไม่มีตัวตนนะตัวตนทําให้เกิดความคิดบางคนรู้ว่าคิดมากแล้วอยากจะหยุดความคิดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรบังคับวิธีการหยุดความคิดนั้นง่ายๆ วิธีการหยุดความคิดนั้นเพียงแต่ว่าเลิกคิดที่จะหยุดเขาเลิกคิดเตียหยุดความคิดแต่ให้รู้เฉยเฉยอ๋อมันคิดว่าอ๋อสติรู้เฉยเฉยไม่ต่อต้านไม่ขจัดแล้วไม่ปรุงแต่งต่อเติมรู้เฉยเฉยความคิดก็จะดับไปเองสติเนี่ยเห็นอย่างไง น, นะเกิดปัญญาเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาเลยก็พ้นจากความคิด เมื่อความคิดไม่ปรุงแต่งจิตจิตมันก็บริสุทธิ์ผ่องใสนะไอ้ที่จิตเรามันเศร้าหมองเพราะเราปรุงแต่งมนแต่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งรู้เฉยๆเนะี่ยจิตก็เป็นความผ่องใสของจิตเลยซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วในคนทุกคนจิตทุกคนเนดีอยู่แล้วจิตทุกคนดีอยู่แล้วแต่ที่ไม่ดีนคือนิสัยของเราชอบไปปรุงแต่งต่อเติมท้ายมากๆ พราะว่าของความสดชื่นเบิกบานจึงไม่ปรากฏตัวขึ้นอย่างเช่นว่าทุกคนเนี่ยบางคนนะเนี่ยหน้าตาสวยอยู่แล้วนะแต่พอไปแต่งหน้าเขาเนี่โอ้กลายเป็นพอกหน้าเป็นมะเขือเทศไม่สวยเลยนะบางคนสวยอยู่แล้วไปแต่งหน้าอ้าวกับไม่สวยอาบน้ำสะอาดอยู่แล้วไปแต่งทาแป้งต่อเติมกลายเป็นไม่สะอาดซึ่งของเก่าดีอยู่แล้ว นี้สมมุตินะจิตเราก็เหมือนกันจิตเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแล้วก็มีสติคอยระวังไว้สิอย่าปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งทําให้จิตมันเสียความเป็นปกติไปแต่ถ้ามันคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็รู้เฉยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมจิตมันก็เป็นความบริสุทธิ์ผ่องใสมันเดิมการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมากเพียงแต่รักษาของเดิมให้อยู่เท่าเดิมอย่างห้องเนี้ยห้องเก่าๆนี่ผมเข้ามา คนแรกเนี่ยเข้ามาเนี่ยห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะแสดงว่าเขาว่างอยู่ก่อนผู้ฟังนเนี่ยามาทาให้ห้องไม่ว่างนะเนี่ยทำให้ห้องไม่ว่างแต่ไม่ช้าหรอกเดี๋ยวห้องนี้ก็ว่างเชื่อมเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงมาแอบ ด, ดูใหม่ห้องนี้คนกลับหมดแล้วแต่ห้อง เ, เหมือนจิตใจเราเนะจิตใจเราก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่มีความคิดปรุงแต่งผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป การปฏิบัติธรรมคือรักษาของเก่าให้เป็นของเก่ามันจะได้เป็นเก่าลายครามอันนี้คือการมีสติรู้จิตรู้ใจเราเมื่อเราเจริญสติมากๆจะเกิดปัญญาภาะวะของความสดชื่นผ่องใสก็จะปรากฏตัวขึ้นมาแทนที่ใจมันดีเมื่อใจดีเนี่ยมองอะไรอะไรก็ดีทั้งนั้นกระทบอารมณ์ก็ดีมองโลกในแง่ดี กอนอิด ก, กลายเป็นดอกไม้เมื่อใจดีหน้าที่การงานก็ดีนะงานที่งานไม่ดีเพราะใจเราไม่ค่อยดีไม่มีใจในการทำงานงานจะออกมาไม่ดีเราดูแลคนไข้ด้วยใจซ่อหมองคนไข้ก็มองเศร้าถ้าคนดูแลคนไข้ใจดีคนไข้ก็ใจดีด้วยเมื่อใจดีแล้วการงานก็ดีเมื่อจิตใจดีสุขภาพกายก็ดีด้วยแกช้าไม่ค่อยได้ป่วย อายยากมันก็ อ, อยู่กับจิตใจทั้งนั้นเลยนะก็เลยจิตเป็นนายกายเป็นเบาอย่างผมเนี่ยที่พิการใหม่ๆนะเนี่ยจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์แล้วก็พยายามแก้ไขตัวเองวิชาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมันช่วยใจผมไม่ให้ทุกข์เนี่ยไม่ได้เลยช่วยใจผมไม่ได้วิชาคุ้มชื่เรียนมาช่วยไม่ได้เลย แต่ที่ช่วยได้ก็คืออะไรไหมก็คือการปฏิบัติธรรมอาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีสติตามรู้กายรู้ใจอยู่เรื่อยๆนอนอยู่กับบ้านปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้ไปที่วัดนะนอนปฏิบัติอยู่ที่บ้านมีสติตามรู้กายรู้ใจกายเคลื่อนไหวให้มีสติรู้จิตใจมันคิดให้มีสติรู้ตามรู้ไปอย่างเนี้ย เพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยเริ่มเห็นทางนหนึ่งเดือนกับการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านกับการเจลสติเริ่มเห็นทางเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองใช้ชีวิตแบบมั่นใจมีความกระตือรือร้ น, นมีชีวิตชีวาไม่หงอยเหงาช่วยตัวเองสุขภาพจิต ด, ดีมองโลกในแงด่ดีร่างกายก็เลยพลอยดีไปด้วย คุณหมอบอกว่าโอ้อย่างเนี้ยคงจะไม่เกินห้าปีหรอกนะอยู่ไปเนี่ยห้าปีเนี่ยอยู่ได้สบายเลยอาจจะต้องเสียชีวิตเพราะว่ามีโรคแทรกซ้อนมากมายหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วอยู่มาต้องยี่สิบเก้าปีสุขภาพจิตดีมันช่วยกายนะแล้วดู่าจะอยู่ไปอีกนานต่อด้วย <c oughs> ไม่เห็นมันเป็นไรเหมือนคนอื่นเลยคนที่มาเยี่ยมมาเยือนผมก็ลมหายายจากมามากแล้วมาให้กาลังใจผมป่านนี้ก็ไปมามากแล้ว คุณหมอที่เคยรักษาแพทย์ทางเลือกเป็นพระกร็มลภาพจากไปคุณหมอรักษาผมนะหลายคนที่มารักษาผมตายจากไปหมดแนละ้วโอ้ผมยังอยู่ได้ตัววันนี้อยู่ยังมีคุณภาพอยู่ยังทำหน้าที่เพราะนั้นท่านผู้ฟังก็ดีผมก็ดีเรามาทำหน้าที่ร่วมกันหน้าที่สองอย่างที่ต้องทำก็คือหน้าที่ภายนอกกับหน้าที่ภายใน หน้าที่ภายนอกใครเป็นภรายาก็ทําหน้าที่ภรายาให้ดีที่สุดใครเป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดใครเป็นสามีทําหน้าที่สามีดีที่สุดใครทํางานที่ไหนก็ of of ทําหน้าที่ให้ถูกต้องให้ดีที่สุดคือหน้าที่ภายนอกในสงังคมแต่อย่าลืมหน้าที่ภายในคือการมีสติรู้เท่าทันมีสติรู้ไปกับการทําหน้าที่รู้เพื่ออะไร รู้เพื่อดับทุกข์ในด้านจิตใจเราจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่ข้างนอกและก็เป็นทุกข์ข้างในแต่ถ้ า, ามีความรู้สึกตัวเนี่ยข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยเป็นการปฏิบัติทราได้ทุกวันเลยหหน้าที่ข้างนอกหน้าที่ข้างในเป็นบุญการเจริญสติถือว่าเป็นการละความชั่วทำความดีเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา เป็นคุณธรรมสติเป็นส่วนรวมเป็นคุณธรรมทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีสติตามดูตามรู้กายจิตหนึ่งแล้วสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองนะฝึกบ่อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองและแต่ที่เราจะเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยชีวิตจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยปีใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการเจริญสติ เมื่อสติกิดขึ้นเองแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยจะสบายแล้วความเร่าร้อนใจความบุ่นวายใจความทุกข์ใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่กลับมีความสดใสเบิกบานขึ้นมาแทนที่พุทธองค์กล่าวเป็นพุทธภาษิตไว้ว่าเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเพราะฉะนั้นปีใหม่ชีวิตใหม่เรื่องเก่าเก่าเยามาคิดเมื่อมันคิดก็ถือว่ามันเป็นครูสอนจิตสอนใจเราความทุกข์ความเศร้ามันล้าสมัยไปแล้วเราจะโกรธเราจะทุกข์ตลอดชีวิตหรือไงเรื่องเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วมันไม่จริงหรอกขณะปัจจุบันนี่จริงกว่าการมีสติรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการ ใช้ชวิทยูกับปัจจุบันอย่างเป็นปกนตินะ